เดี๋ยวตรวจไปตรวจมาเดี๋ยวโอ้โหทำไมเราถ้าสอบตกทุกวันนี่ก็น่าสงสารมากเลยนะคือถ้าสอบตกจากมงคลทุกวันก็คือเป็นผู้แพ้ทุกวันนะ่ะนะชีวิตนี้มีความพ่ายแพ้เป็นเบื้องหน้าแล้วนะแต่ถ้ามีมงคลเหล่านี้ครบถ้วนก็เป็นทางสู่ชัยชนะอย่างเดียวก็ชนะจากกองทุกทั้งมวลนั่นเองเพราะว่าไอ้การศึกษามงคลเนี่ยนะมันก็ควรที่จะเอามาเป็นบทสรุป บททบทวนในในชีวิตเหมือนกันนะแต่บางคนเขาก็ใช้วิธีสาธยายเนี่ยนะมีการสาธยายมงค ล, ลสูตรทุกวันเนี่ยเป็นการสาธยายเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมของเราเองนั่นแหละว่าเราเป็นไปกับมงคลหรือคือถ้าเป็นไปตามหลักทั้ง38ประการก็ชื่อว่าเป็นมงคลถ้าไม่เป็นไปตามนั้นก็เป็นอัปมงคลนะมงคลนี่แปลว่าเหตุแห่งความเจริญเหตุแห่งความดีงามเหตุแห่งความปลอดภัย เหตุที่ทำให้ถึงความสุขสวัสดีแต่ถ้าอัปมงคลก็คือตรงงานข้ามนั้นการตรวจสอบก็คือตรวจสอบว่าเรานั้นได้เดินทางเพื่อความเจริญแค่ไหนเราเจริญกี่อย่างเนี่ยนะก็มาให้มาสรุปถึงชีวิตของเราเองยิ่งคนที่จะต้องเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากมีการอยู่ร่วมกับสังคมเนี่ยนะการตรวจสอบเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีต้องหมั่นบ่อยๆซึ่งใน พระสูตรชื่อว่าราหูโลวาทสูต์ที่พระพุทธเจ้าสอนพระราหุลให้ตรวจสอบตัวเองเนี่ยวันละสามครั้งเลยซ้าไปแต่พระองค์ตรัสว่าตรวจสอบพฤติกรรมทางกายวาจาและใจตรวจสอบวันละสามครั้งหรือได้หลายๆครั้งก็ยังดีก็มันตรวจสอบทั้งกลางวันทั้งกลางคืนคนที่ตรวจสอบตัวเองได้บ่อยเท่าไหร่มันเป็นวิธีชําระศีลอีกวิธีหนึ่งเหมือนกันตรวจสอบถึงศีลของเราว่าศีลของเรายังดีอยู่หรือ ว่ากุศลธรรมทั้งหลายของเรานี้ยังเป็นไปได้อยู่หรือประคับประคองกุศลไปถึงไหนเป็นอย่างไรแล้วก็มงคลทําไมวันนี้เราได้แค่สองสามงคลเองมงคลมีตั้งสามสินี้ทําไมเราเจริญมงคลได้น้อยจังแล้วก็มาตรวจสอบหน้าที่ของเราเองที่ที่จะเดินทางเพื่อความสุขสวัสดีทั้งพบนี้และพบหน้าขณะเดียวกันก็เป็นทางแห่งความสวัสดีทาง ที่ปลอดภัยทางที่ทำให้พ้นภัยจากวัตทุกข์ทั้งหลายท่มัติรณะปริญญาเปิดไปหน้า84พูดถึงการพิจารณาโดยอาการ40สําำหรับผู้ที่มั่นคงในเรื่องการกำหนดรูปนามพร้อมทั้งปัใจจัยในการ3 ส, สามารถที่จะเข้าใจกฎเกณฑ์ความเป็นไปแห่งชีวิตพิจารณาความเป็นและความตาย พิจารณาเหตุแห่งชาติชาราและมรณะแล้วก็มาพิจารณาอนิจออนาานจังทุกขังอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาในอะไรในขันธ์ธาตุอยายตนะสัจจะอินทรีย์ปฏิจจสมุโบาทเป็นต้นพิจารณาถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหรือพิจารณาขันธ์ทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอย่าละเอียดเลวประณีตไกลและใกล้ เอาสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดมาพิจารณาทีนี้อ น, นิจจังทุกขังอนาัตตานั้นเป็นคำที่เรียกว่ายังย่ออยู่ก็มาขยายสามคำนี้ให้พิสดารขึ้นนันนก็ข้อความในวิสุทธิมารคข้อ697กล่าวว่าเพื่อประโยชน์แก่ความมั่นคงแห่งอ น, นิจจะสามะสนะคือการพิจารณาอ น, นิจจะทุกขะสั ม, มาสนะพิจารณาทุก อนัตตาสัมมาสนาะการพิจารณาอนัตตาในขันห้านั่นแหละพระโยคาวจรภิกษุนั้นย่อมพิจารณาขันห้าเหล่านี้ทางอนิจจที่สัมมาสนาะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เมื่อจำแนกอนุโลมยานโดยโดยแยกอาการต่างๆไว้ในวิพังแห่งปาถะว่าภิกษุย่อมได้ขันติอันเป็นอนุโลมโดยอาการสี่สิบอะไรบ้าง ขันติอันเป็นอนุโลมนี่เป็นชื่อของวิปัสสนาญาณทั้งหลายที่อนุโลมต่ออริยมรรคเนี่ยนะภิกษุย่อมได้ขันติอันเป็นอนุโลมโดยอาการสี่สิบอะไรบ้างย่อมอย่างลงสู่สัมมัตตานิยามคือความถูกต้องโดยชอบแห่งกุศลธรรมคืออริยมรรคโดยอาการสี่สิบเนี่ยมีอะไรบ้างโดยนิยะว่า ภิกษุเมื่อพิจารณาเห็นขันธ์โดยอาการไม่เที่ยงย่อมได้ขันติอนุโลมอันนี้หมายถึงว่าถ้าพิจารณาขันธ์ห้าโดยความไม่เที่ยงโดยอาการที่ไม่เที่ยงเนยนะย่อมได้วิปัสนาญาณเพราะขันติอนุโลมนี่ก็คือวิปัสนาญาณทั้งหลายหรือญาณ ท, ทั้งหลายที่อนุโลมต่อการแทงตลอดอริยสัจเห็นอยู่ว่าความดับแ่งขันธ์หเป็นความเที่ยงเป็นนิพพานย่มอมยังลงสู่สัมมตตนิยาม คือความชอบความถูกต้องโดยชอบแห่งกุศลธรรมคืออริยมรรคโดยอาการ40คือคือวิธีที่เป็นข้อปฏิบัติเป็นหนทางให้อริยมรรคเกิดขึ้นเนี่ยยกตัวอย่างตรงนี้มา40วิธีคือหนงก็โดยอาการไม่เที่ยงสองโดยอาการเป็นทุกข์สามโดยอาการเป็นโรคสี่โดยอาการเป็นฝีห้าโดยอาการเป็นลูกศร6โดยอาการเป็นของชั่ว7โดยอาการเป็นความเจ็บป่วย 8. โดยอาการเป็นฝ่ายอื่น 9. โดยอาการทำลาย 10. โดยอาการเป็นเสนียดจันไร 11. โดยอาการมีอันตราย 12. โดยอาการเป็นภัย 13. โดยอาการมีความขัดข้อง 14. โดยอาการมีความหวั่นไหว้ 15. โดยอาการแตกสลาย 16. โดยอาการไม่คงทน 17. โดยอาการไม่มีที่ต้านทาน 18โดยอาการไม่มีที่กําบัง19โดยอาการไม่มีที่พึ่งยีโดยอาการว่าง21โดยอาการเปล่า22โดยอาการศูนย์23โดยอาการไม่ใช่ตน24โดยอาการเป็นโทษ25โดยอาการมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา26โดยอาการไม่มีแก่น27โดยอาการเป็นมูลแห่งความลำบาก28โดยอาการเป็นผู้ฆ่า 29โดยอาการเสื่อม30โดยอาการเป็นไปกับอาสวะ31โดยอาการเป็นสังคตะ32โดยอาการเป็นเหยื่อมาน33โดยอาการมีชาติเป็นธรรมดา34มีอาการมีชะาเป็นธรรมดา35โดยอาการมีพญาทีเป็นธรรมดา36โดยอาการมีมรณะเป็นธรรมดา37โดยอาการมีโศกะเป็นธรรมดา สาสิบปดโดยอาการมีปริเทวะเป็นธรรมดาสาิบเก้าโดยอาการมีอุปายาตเป็นธรรมดาสี่สิบโดยอาการเป็นสิ่งที่มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาเป็นต้นดังนี้ก็ได้ก็ยังมีนัยยะอย่างอื่นอีกมากเนี่ยนะในการพิจารณาทีนี้มาดูคําอธิบายตามลําดับว่าถามว่าพิจารณาขันท่าทางอนิจจาทิคืออนิจจที่สัมมาสนาอย่างไร อ น, นิจจังบวกเป็นต้นบวกสัมมสนะเนี่ยนะก็แปลว่าพิจารณาโดยความไม่เที่ยงเป็นต้นเนี่ยพิจารณาอย่างไรล่ะตอบว่าก็พระโยคาวจร น, นั้นย่อมพิจารณาขันแต่ละขันโดยเกี่ยวกับการพิจารณาว่าไม่เที่ยงเป็นต้นที่ตรัสโดยแยกอาการต่างๆไว้อย่างนี้คื อ, อ น, นะคำอธิบายคำแรกว่าโดยอาการชื่อว่าไม่เที่ยง เพราะอะไรจรึงเรียว่าไม่เที่ยงเพราะความเป็นของไม่แน่นอนไม่แน่นอนในที่นี้แปลว่าไม่ยั่งยืนไม่ยั่งยืนและเพราะมีเบื้องต้นและมีที่สุดคือขันห้าเนี่ยนะรูปรูปก็เป็นของที่ไม่แน่นอนคือรูปก็เป็นของไม่ยั่งยืนนะ ถามว่าจะยืนได้สักเท่าไหร่ดีรูปก็แล้วแต่ใครนะบางคนก็ยืนอยู่กี่สิบปีล่ะอันนี้พูดแบบรวมๆก่อนนะนะสุดแท้แต่พบภูมิเหนะแต่ว่าว่ารวมๆแล้วมันก็ไม่ยืนตลอดไปมันก็ไม่มั่นคงตลอดไปและเพราะมีเบื้องต้นและมีที่สุดคือชีวิตของเราทั้งหลายมีความเกิดเป็นเบื้องต้นนะมีชาติเป็นเบื้องต้นมีชาราเ อ, าอ่อเขามีมรณะเป็น ที่สุด น, นะก็แสดงว่าตัดต่อจากเกิดไปหาตายก็มีอยู่เท่านี้แหละชีวิตในแต่ละพบแต่ละพบก็มีความเกิดเป็นเบื้องต้นมีความตายเป็นที่สุด่ น, นะไม่แน่นอนอ น, นะครว่าไม่แน่นอนคือไม่ยั่งยืน น, นะไม่เที่ยงแท้มีความเกิดเป็นเบื้องต้นมีความตายเป็นที่สุดทุกชาติเลยนะไม่ว่าชาติไหนๆณภูมิใดๆ ก็เป็นเช่นนี้แหละมีความเกิดเป็นเบื้องต้นมีความตายเป็นที่สุดพิจารณาอย่างที่สองโดยอาการชื่อว่าเป็นทุกข์เนี่ยนะทุกขโตเนี่ยคือเพราะถูกความเกิดขึ้นและความเสื่อมบีบคั้นและเพราะเป็นที่ตั้งอาศัยแห่งทุกข์ที่บอกว่าถูกความเกิดและความเสื่อมบีบคั้นสิ่งใดที่มีความเกิดแล้วก็ถูกความเสื่อมบีบอยู่ตลอดเวลาเนี่ยไะ ถามว่าสิ่งนั้นจะเป็นสุขได้อย่างไรเหมือนอะไรนะเหมือนอนัตตลักษณะสูตรใช่ไหมถ้ารูปนี้ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธอันนีพูดว่าถ้ารูปนี้ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาทรูปนี้ก็เป็นสุขสิแต่รูปนี้มันอาพาธเป็นพันรูปนี้จึงเป็นเป็นทุกข์เนี่ยนะเพราะว่าความเสื่อมของแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยมันเป็นความทุกข์ชนิดหนึ่งจริงๆถามว่าทุกทุกใจด้วยไหมถ้าหากว่าความเสื่อมเหล่านี้เกิดขึ้นในรูปถามว่าถ้า ความเกิดและความเสื่อมของโดยเฉพาะความสุขเนี่ยนะถามว่าถ้าความสุขหมดไปเนี่ยถามว่าทุกข์ไหมก็ทุกข์แหละและที่สําคัญที่แน่ๆเลยขันห้าเป็นที่ตั้งแห่งเป็นที่ตั้งอาศัยแห่งทุกข์อย่างเช่นรูปขันเนี่ยนะเป็นที่ตั้งอาศายัยแห่งโรคสารพัดชนิดนะโรคอะไรบ้างอะโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคปากโรคฟันโรค คอเป็นต้นเนี่ยไล่ไปทุกส่วนส่วนไหนที่เป็นไม่เป็นโรคบ้างก็ไม่มีในโลกในโลกของรูปนะไม่มีอ่ะส่วนไหนที่ไม่มีโรคแล้วเวทนาล่ะเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ไหมเป็นนะโดยเฉพาะตัวทุกขเวทนาเองถามว่าถ้าพยาบาทสัญญาวิหิงสาสัญญาเกิดขึ้นเนี่ยเป็นทุกขไหมก็เป็ น, น, นแล้วถ้าอากุศลเจตนาทั้งหลายเกิดขึ้นบ่อยเกิดขึ้นมากเป็นทุกขไหม เป็นถ้าทุกขกายวิญญาณเกิดขึ้นเป็นทุกข์ไหมก็ทุกข์ละหรือการเห็นสิ่งที่ไม่น่าจะเห็นเช่นเห็นคนอันเป็นที่รักตายเป็นต้นนี่ก็ถือว่าเห็นและเป็นทุกข์เนี่ยนะได้ฟังแต่ข่าวร้ายนะก็ถือว่าโสตวิญญาณนี่ก็เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์เพราะว่าขันห้าเนี่ยนะขันบางขันเนี่ยก็เป็นทุกข์จริงๆเช่นรูปประขันที่เสียหายนี่ก็เป็นตัวมันเองก็เป็นสังขารทุกข์ละแต่เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ทุก เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ทุกอย่างดีรูปประคันใดที่ไม่สมประกอบไม่ดีไม่เหมาะสมเกิดความเสียหายเกิดความอาพาธขึ้นมารูปประคันอันนั้นก็เป็นที่ตั้งแห่งเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์กายเลยนะเช่นว่าในส่วนศีรษะนะเป็นที่ตั้งอาศัยแห่งทุกทางศีรษะไหมอันนะก็ฟันก็เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ฟันเป็นต้นนะนะจริงๆมันทุกทุกส่วนจริงๆเลยนะ อธิบายไม่มีหมดมีสิ้นเพราะมันมันเป็นที่ตั้งแห่งความเจ็บปวดเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ทรมานมากนะคนที่เกิดมามีบุญโรคภัยไม่เบียดเบียนนี่ก็บางทีก็อาจจะไม่ค่อยได้พิจารณาแต่บางคนก็แม่พอมันเบียดเบียนทีนี่เอาชีวิตไม่รอดเลยอย่างนั้นมันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์เป็นที่ตั้งแห่งวิปริณามทุ ก, ทกเป็นที่ตั้งแห่ ง, ง, หงสังขารทุก เป็นที่ตั้งแห่งความเสียใจบ่อยๆอย่างที่สามโรคาโตก็คือโดยอาการชื่อว่าเป็นโรคขันห้าเนี่ยนะทั้งรูปประขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันท่านบอกว่าเป็นตัวโรคทําไมจึงชื่อว่าเป็นตัวโรคล่ะก็เพราะต้องบําบัดด้วยปัจจัยนะต้องหาปัจจัยมาบําบัดรูปอยู่เสมอใช่ไหม เช่นหากับพลีงกะราหารมาบำบัดรูปอยู่เสมอเพราะรูปปจึงเป็นโรคถามว่าเวทนาล่ะเป็นเหมือนโรคไหมก็เป็นต้องหาต้องบำบัดด้วยปัจจัยด้วยปัจจัยของเวทนาคืออะไรก็พรรษะเที่ยวสแสวงหาพรรษะเพราะพรรษะเป็นตัวบำบัดเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันต้องบำบัดด้วยอะไรด้วยนามรูปนั่นเพราะขันห้าเหล่านี้ต้องอาศัยปัจจัยมาคอย บำบัดเพราะว่าเหมือนกับโรคทั้งหลายในโลกนี้ก็ต้องหายามาบำบัดใช่ไหมนี่ก็เหมือนการขันห้าทุกขันเนี่ยต้องอาศัยปัจจัยมาเป็นเครื่องบำบัดขันเหล่านั้นในขณะเดียวกันขันเหล่านี้ก็เป็นมูลแห่งโรคท่านบอกว่าโรคสารพัดชนิดก็ติดตามหนังสือบางเล่มเขาบอกว่าหนังสือทางแพทย์นะนะเขาว่าเด็กที่คลอดออกมาจากขันปั๊บเนี่ยโรคติดตามประมาณพันแปดรโรค นะที่ที่มาจากทางแม่นะ ท, ที่ติดเนื่องมาอันนี้ไม่บวกโรคอุบัติเหตุเป็นต้นนะไม่เกี่ยวนะเพราะว่าโรคในโรคในโลกนี้มีกี่ประเภทกขาบอกว่าโรคหัวใจอย่างเดียวก็ไม่รู้มีกี่สิบประเภทเนี่ยนะมีเป็นร้อยประเภทเลยเพราะในร่างกายเนี่ยมันเป็นที่ตั้งแห่งสารพัโรคเพราะฉะนั้นขันห้านี่เป็นโรคาโตหมายคำว่าโรคทั้งหลายก็ติดตามขันห่านี้ไป เราไปอยู่ที่ไหนแล้วมันพ้นโรคมีไหมตั้งแต่มีขันห้ามาเนี่ยนะหนีไปอยู่ที่ไม่ป่วยหนีไปอยู่ที่ไม่มีโรคหนีไปอยู่ที่โรคไภัยไม่เบียดเบียนนี่มีไหมอ่านะสติทางโรงพยาบาลเนี่ยตั้งแต่มีบําบัดขึ้นมานี่คนไข้ลดขึ้นลดจํานวนลงจํานวนลงไหมยอมลดไหมไม่ลดเลยใช่ไหม อ, อ๋อคนไข้มีแต่เพิ่มเนี่ย น, นะเขายอมเขาอยู่โรงพยาบาลประจําแล้วก็แสดงว่าคนไข้มีแต่เพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่ม เพราะว่าขันห้าเป็นมูลแห่งโรคถ้ายังมีรู ป, ปรขันอยู่ก็มูลแห่งโรคก็ตามมาถ้ายังมีเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันโรคทางจิตก็จะตามมาเนี่ยนะโรคทางจิตพ ร, พ, พระพุทธเจ้าตรัสว่าคู่ที่ปฏิญาณว่าไม่ไม่มีโรคทางรูปเนี่ยนะคือรูปไม่ป่วยไม่ไข้เลยเนี่ยไม่เป็นโรคเลยนะนตลอดหนึ่งปีสองปีสมปีห้าปีสิบปีร้อยปีนี่ยังพอหาได้ เช่นพระพากุลเนี่ยอายุร้อยหกสิบปีท่านไม่เคยแม้ฉันสมอชิ้นเดียวของเรานี่หมดสมอไปตั้งหลายกิโลแล้วซึ่งต่างกันมากแต่พระองก็ตัดว่าแต่ผู้ที่จะสามารถปฏิญญาว่าไม่เป็นโรคทางใจหาได้ยากในโลกเว้นแต่พระอรหันต์เพราะว่าความโลภก็ถือว่าเป็นโรคชนิดหนึ่งความโกรธก็ถือว่าเป็นโรคชนิดหนึ่ง ความลุ่มหลงก็ถือว่าเป็นโรคชนิดหนึ่งตันหา่ามานะก็ชื่อว่าเป็นโรคชนิดหนึ่งทิฏฐิก็ชื่อว่าเป็นโรคชนิดหนึ่งความริษยาตาร้อนอนะความเครียดเป็นต้นแต่และอย่างเหล่านี้ก็ชื่อว่าเป็นโรคแต่ละชนิดแต่ละชนิดนะคันห้าเหล่านี้จึงชื่อว่าเป็นมูลแห่งโรคนะเป็นมูลแห่งนะโรคของรูปแล้วก็โรคของนามธรรมทั้งหลายรูปโรคของเวทนาโรคของสัญญาสังขารและ วิญญาณต่อไปคันดะโตคันดะโตนี้โดยอาการชื่อว่าเป็นดุจฝีเพราะประกอบด้วยความเจ็บปวดคือความเป็นทุกข์เพราะเป็นที่ไหลออกของสิ่งสกปรกคือกิเลสและเพราะมีอันปูดด้วยอขอไปเพราะมีอันปูดขึ้นสุกงอมแล้วก็แตกไปด้วยความเกิดขึ้นความแก่และความแตกดับ อันนี้ยกตัวอย่างว่าใครเคยเป็นฝีบ้างนานึกฝีไม่ออกนึกถึงสิวก็ได้เนี่ยนะเป็นลักษณะเป็นเหมือนสิวถ้าสิวโ ต, โตโตนั่นแหละเรียกว่าฝีเนี่ยนะคนที่เป็นโรคฝีเนี่ยนะอาการที่ปรากฏออกมาก็คือความเจ็บปวด เ, นะเจ็บปวดเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ทุกขทุกวิปริณามทุกข์แล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งสังขารทุกข์ แล้วขันห้านี่ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะขันห้าทุกขันเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความเจ็บปวดหมดเลยนะ ร, รูปรขันรูปประขันไหนบัางในร่างกายสรีระของเราไม่เป็นที่ตั้งแห่งความปวดกายและปวดใจนี่เคยพบไหมมีเวทนาวไหนบ้างไม่เ ป, มปปญญญญเป็นที่ตั้งแห่งความปวดกายและปวดใจนะสัญญาสังขารและวิญญาณทุกอย่างเป็นที่ตั้งแห่งความปวดทั้งร่างกายและจิตใจท่านจึงบอกว่าเป็นฝีเพราะว่าเป็นที่ตั้งแห่งความ เจ็บปวดเนี่ยนะเขามีบางท่านเนี่ยนะเป็นฝีในกล้ามเนื้อเช่นในกล้ามเนื้อแถวแถวขาเนี่ยนะต้นขาเนี่ยมันลึกมาก น, นะก็ต้องเอาไปกรีดเอาไปกรีดเอาหนองเอาอะไรออกเสร็จแล้วพยาบาลเขาไม่ฉีดยาชาให้หรอกอะนะก็กรีดดิบๆนี่แหละแล้วก็บีบออกมาก็เขามาก็ถามหมอว่าทำไมไม่ฉีดยาให้บอกว่าไม่มีประโยชน์อะไร ที่ไม่ฉีดยาชาเนะ่ก็ต้องกรีดติบๆอย่างนั้นเนละแล้วก็หนองก็พุ่งออกมาถ้าตั้งคำถามว่ากายของเราเนี่ยนะรูปกระดิ่งส่วนไหนที่มันเป็นสีไม่ได้บ้างถ้าใครพิจารณาคําว่าปุโพโลหิตังอ่ะนะปุโพก็คือน้ําอะไร น, น, น้ําหนองเนี่ยนะคําว่าหนองหนองอยู่ที่ร่างกายเนี่ยมันเป็นยังไงที่ใดที่เลือดไม่ไหลเวียนนะ เลือดมันขังเออมันมันจะเก็บตัวอยู่ตรงนั้นที่ที่เลือดไม่ไหลเวียนเนี่ยที่ตรงนั้นเนี่ยจะเป็นหนองถ้าถ้าร่างกายของเรานะธาตุน้ําเนี่ยมันจะต้องไหลเวียนตลอดถ้าที่ใดไม่ไหลเวียนนะที่นั่นจะเป็นเหมือนหนองทันทีเลยนะทุกส่วนเลยนะในร่างกายเนี่ยแม้กระทั่งในสมองเนี่ยเขาบอกว่าฝีในสมองก็มีอยู่นะฝีในสมองเนี่ยเพราะว่าเช่นน่ะ เลือดนะตรงนั้นไม่ในในตัวมันสมองเนี่ยไม่มีเลือดไปไหลเวียนเนี่ยนะตรงนั้นก็พร้อมที่จะเป็นฝีาบางคนเนี่ยเป็นฝีในสมองเนี่ยนะก็โหหนักหนาสาหัสน่ะนะก็บางคนก็โดยมากก็ตายอ่ะนะบางคนถ้ารู้พอถ้ารู้เร็วหน่อยก็เกือบตายแต่ว่าในที่สุดก็ตายต า, ยตามเดิมนั่นแหละแล้วก็ทุกแห่งเลยนะเป็นที่ตั้งแห่งฝีหมดเลยแม้กระทั่งในร่างกายทุกส่วนตั้งแต่นะแม้กระทั่ง ฝีที่ที่เพราะคาว่าฝีรวมถึงอิสุกอิสัยไปด้วยเนี่ยนะรวมทั้งกลมซิวอีสุกอีสัยนี่ก็จัดอยู่ในกลุ่มฝีเพราะว่าเน้นอธิบายว่าที่ใดมีหนองที่นั่นมีเรียกว่าคันดะโตคือเป็นเป็นเหมือนฝีนะถ้าฝีเหล่านี้ไหลออกมาและอะไรอีกความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยนะกลที่ปฏิกูลทั้งหลายก็ไหลออกมาด้วยเอ่อทางสมัยใหม่นี่ไม่ค่อยเห็นแล้วนะแต่ถ้าตามชนบทหลายแห่งยังมีอยู่ นะหน้าหนาวเนี่ยบางทีเด็กเขาเป็นฝีกันเยอะเนี่ยแต่เป็นฝีหน้าหนาวด้วยแล้วก็อากาศมันตึงๆด้วยเนี่ยนะมันปวดขนาดไหนนะเจ็บก็ปวดกันแล้วก็ถ้ามาไล่ดูนะรูปใดบ้างไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเจ็บปวดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นโลกิยธรรมเหล่านี้ทุกอย่างเป็นที่ตั้งแห่งความเจ็บปวดหมดเลยโดยที่สุดแม้กระทั่งผื้นดินอยู่เฉยๆเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความปวดกายปวดใจไหม ก็ได้รับคำสั่งบอกจงขุดดินตรงนี้อย่างเงี้ยนะโอยขุดไปขุดมาเนี่ยมือนี่เป็นน้องเลยนะโดยที่สุดแม้กระทั่งภายนอกยังเป็นที่ตั้งแห่งความเจ็บปวดขณะเดียวกันขันห้าเหล่านี้เป็นที่ไหลออกแห่งสิ่งสกปรกคือกิเลสที่ไหนบัางกิเลสไม่ไหลท่วมทับช่วงหลังเนี่ยนึกถึงประเทศศรีลังกาบ่อย ก็บอกว่าประเทศศรีลังกาเนี่ยนะเป็นดินแดนที่พระอริยะเกิดขึ้นมากเพราะว่าบางยุคบางสมัยนี่ไม่สามารถชี้หาปุถุชนได้เลยนะมีแต่พระอริยะแล้วก็บอกว่าอาสนะที่นั่งฉันที่นั่นเนี่ยนะเคยมีผู้นั่งฉันและเจริญกรรมฐานบรรลุเกือบทุกอาสนะหรือทุกอาสนะก็ได้พระอริยะมากขนาดนั้นอันนั้นหมายถึงว่าเมื่อสมัยก่อนพศพันปี แต่ตอนหลังมานี่ก็มีแต่สงครามถิ่นตรงนั้นก็เป็นที่เข็นที่ฆ่ากันบอกว่าตั้งแต่ไอ้ศรีรังการบกัรทมินเนี่ยตายเป็นหมื่นนะตายเป็นเรือนหมื่นเนี่ยตายมากทุกแห่งก็เป็นที่ทําสงครามตายกันเกลื่อนไปหมดก็คือที่ที่เดียวกันเนี่ยนะเคยเป็นที่อาศัยของพระอริยะทั้งหลายแต่ตอนหลังก็เป็นที่อาศัยของเพชฌฆาตทั้งหลายนะเป็นผู้ที่เข็นผู้ที่ฆ่ากัน มันดินแดนแห่งไหนมั่งที่ที่กิเลสไม่ไหลออกมามีไหมเข้าไปหลบอยู่ณตรงนั้นแล้วกิเลสไม่ทะลักออกมาไม่มีเพระะัะรูปทุกรูปเป็นที่ไหลออกแห่งกิเลสเช่นตาเนี่ยนะกิเลสก็ไหลออกมาทาวานตาใช่ไหมมองด้วยตัาหามั่งบองด้วยโทสะมั่งมองด้วยริษยาหมองด้วยทีนะเป็นต้นเนี่ยนะก็แล้วแต่ว่าตาหูจมูกเลนส์กายใจเนี่ยเป็นที่ไหลออกแห่งกิเลสคําว่ากิเลสนี่แปลว่าเศร้าหมองเนี่ยนะ ความเศร้ามองทั้งหลายก็ทะลัก internet, ออกมาทางตาความเศร้ามองทั้งหลายก็ทะลักออกมาทวาลหูความเศร้ามองทั้งหลายก็ออกมาจากจ ม, มูกจากลิ้นจากกายแล้วก็จากใจทั้งหลายอารมณ์ทั้งหลายก็เหมือนกันในโลกนี้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นที่ไหลออกมาแห่งความเศร้ามองนเนี่ยนะสีเฉยๆก็เป็นที่ตั้งแห่งความเศร้ามองทางใจ เสียงก็เป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าหมองทางใจกลิ่นก็เป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าหมองทางใจอย่างสมมุติว่าเสียงชมของอีกคนหนึ่งเนี่ยนะมันไปเสียดสีอีกคนหนึ่งอย่างแรงใช่ไหมเช่นชมศัตรูทําชมศัตรูนี่เป็นยังไงเป็นคำที่เสียดแทงใจที่สุดใช่ไหมอย่างเช่นเขามีใครชมคนที่เราเกลียดที่สุดในโลกเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นทุกอย่างในโลกนี้เป็นที่ไหลออกมาแห่งความเศร้าหมองเยอะนะ ท่านบอกว่าไหลออกมาด้วยอํานาจทวารบ้างเศร้าความเศร้าหมองเหล่านี้ไหลออกมาจากทวารบ้างไหลออกมาจากอารมณ์ทั้งหลายบ้างแล้วก็ที่ชื่อว่าเป็นฝีเพราะมีอันปูดขึ้นแล้วก็สุกงอมแล้วก็แตกไปด้วยความเกิดขึ้นความแก่และความแตกดับคือกายเหล่านี้เนี่ยนะใครเคยเห็นร่างกายแบบอะไรนะแบนแตะแตะแบบเป็นๆแล้วนะรถทับแล้วก็แตกโป่ออกมาแล้วเป็นยังไงนะ ถามว่ามันเหมือนฝีแตกไหมโดยเฉพาะส่วนทองด้วยนะถ้าแตกขึ้นมาเพลาะออกมาเป็นยังไงนะไส้กระจัดกระจายโนมันจะเป็นยังไงนะก็เหมือนกับฝีนั่นแหละเหมือนกับฝีแตกเป๊ะเลยก็สังเกตดูคนท้องเสียก็ลักษณะเดียวกันเ น, นะนี่ยนะพวกนี้ท่านจึงเชื่อว่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเหมือนฝีเดี๋นะที่จริงน่าจะแปลว่าคันตะโตไม่น่าจะแปลคําว่าเหมือนนะ้ำมันมันคือตัวฝีเลยแหละท่านะ ขันหนั่นแหละคือตัวฝีส่วนความหมายในที่6เนี่ยนะขันห้าชื่อว่าเป็นสารโตสารโตเนี่ยเป็นดุดลูกสอนเออทวนอีกนิดหนึ่งนะจริงจริงน่าจะบอกลักษณะไปด้วยว่าอั น, นิจจะโตนี่ก็คือเท่ากับกลุ่มไหนอั น, นิี้จังไนงะธรรมะทั้งหมดเนี่ยนะจะอธิบายอะไรก็ตามเถอะไม่พ้นอันนี้จังทุกขังแลว อ, น, อ น, นัตตาอานิจจังก็ตรงตร ง, ตรงใช่ไหมทุกขังก็เป็นทุกตรงตรงเป็นโรคละ่ะอะไรลักษณะทุกขลักษณะเป็นฝีฝีก็ทุกขลักษณะทีนี้ลูกศอนละ่ะลูกศอนก็ทุกขลักษณะเหมือนกันขันห้าชื่อว่าเป็นลูกศร อ, อย่างไรเพราะทําความเจ็บปวดให้เกิดขึ้นเพราะทิมแทงเข้าไปข้างในแล้วก็เพราะถอนออกได้ยาก ลักษณะลูกศรเนี่ยนะใครเคยเคยเห็นสัตว์ถูกลูกศรยิงบ้างเนี่ยนะเวลาลูกศรปักเข้าไปนะมันจะดิน้นดิ้นรนอย่างสมมุติว่าเขาว่าแมวเนี่ยนะแมวถูกลูกศรยิงเนี่ยนะสมมติว่ายิงไปแล้วปักกลางตัวมันนะมันมีความเจ็บปวดเสร็จแล้วมันก็ดิ้นเรียกว่าโอ้ดิน้นดิ้นแรงมาก น, นะไม่รู้มันจะไปเกาตรงไหนใช่คือคือพวกสัตว์เดรัจฉานไม่ค่อยฉลาดมันไม่รู้ว่า ปักตรงไหนอะไรยังไงหรอกมันมีแต่ได้แต่พอเจอความเจ็บปวดมันก็ดิ้นรน ก, รนกรังวลก歪ขันห้าก็ลักษณะเดียวกันนะนะขันห้าเป็นที่ตั้งแห่งความเจ็บปวดแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งความดิ้นรนกังวนกวายจริงนะนะดิ้นรน ก, รนกรังวลก歪จนอยู่นิ่งไม่ได้นะแล้วก็ทิมเข้าไปข้างในเนี่ยนะเขาบอกว่าเจ็บจนถึงอะไรนะ เจ็บจนถึงใจเลยอะไรงี้เจ็บมากนีนะแล้วท่านบอกว่าถอนได้ยากขันห้านะใครถอนได้ง่ายๆบ้างนะนะ่เว้นผ้ารหารเสร็จแล้วเนี่ยยากที่จะถอนขันห้าได้เพราะฉะนั้นขันห้าที่ชื่อว่าเป็นลูกศรเพราะถอนออกยากมากอนนะคือขันห้าเนี่ยก็รู้อยู่แล้วบางแห่งบอกว่ามันเป็นภาระใช่ไหมอ่าโดยมากที่จะปรงภาระเหล่านี้เสร็จแล้วเนี่ยไม่ใช่ของง่ายอันนะก็เลยต้องบริหารภาระเหล่านี้ออกไป นั้นขันห้าเหล่านี้ที่เป็นเหมือนลูกศรเพราะถอนยากมากสมมุติถ้าหากว่าข้างในร่างกายเรามีโรคอะไรอยู่อย่างใดอย่างหนึง่งที่ต้องเอาออกนะสมมุติว่าพวกอะไรที่อยู่ข้างในร่างกายเช่นมะเร็งมันเกิดขึ้นมาก้อนหนึ่ง น, นะถามว่าเอาออกง่ายหรือยากก็ถือว่าเอาออกยากแต่ละอย่างแต่ละอย่างแล้วถามว่าทุกขเวทนานี้เอาออกง่ายหรือเอาออกยากเอาออกยากอากกุศลทั้งหลายที่เกิดขึ้นเอาออกก็ ยากอากุศลจิตทั้งหลายเกิดขึ้นก็เอาออกยากคันห้าท่านจึงว่าเป็นเป็นลูกศรเพราะว่าถอนออกยากมากเนี่ยนะปัญอาการที่เรียกว่าลูกศร น, นี่ก็เป็นทุกขลักษณะส่วนโดยอาการเชื่อว่าเป็นของเสื่อมซามเสื่อมซามนี่ก็ลักษณะของทุกขลักษณะคำว่าเสื่อมซามเนี่ยนะคำว่าซามมาจากคำว่า อคโตอคโตเนี่ยนะคว่าของซามนะของที่มันเร็วซามนะเพราะเป็นของหน้าติเตียนเพราะเป็นเหตุนำมาซึ่งความไม่เจริญและเพราะเป็นที่ตั้งอาศัยแห่งความเสื่อมซามเป็นของหน้าติเตียนเนี่ยนะก็ร่างกายเนี่ยมันหน้าตาหนิจริงๆนะเช่นว่าถ้ามันเกิดเป็นแผลเป็นฝีเป็นหนองเป็นต้นเนี่ยหน้าติเตียนไหม หรือมันโรคภัยไข้เจ็บดูแลแล้วรักษาไม่หายสักทีหนึ่งก็เป็นของหน้าเตะเตียนแล้วก็ขันท่าที่เป็นอักุศลทั้งหลายเนี่ยอกุศลมันเกิดขึ้นโดยอาศัยขันใดขันนั้นหน้าติเตียนไหมคนเนี่ยนะที่เรียกว่าเป็นคนที่หน้ารังเกียจสัตว์ทั้งหลายที่เรียกว่าเป็นผู้ที่หน้ารังเกียจเนี่ยก็เพราะเพราะอะไรเพราะกิเลสทั้งหลายมันทําให้เป็นบุคคลที่หน้ารังเกียจเพราะกิเลสทั้งหลายถ้าทลักมาทางกายกายกรรมนั้นก็หน้ารังเกียจ ลักมาทางวาจาวจีกรรมเหล่านั้นก็น่ารังเกียจกรุ่นอยู่ในใจก็เป็นของน่ารังเกียจนะคือเป็นของน่าติเตียนอ่ะนะน่ารังเกียจขณะเดียวกันไม่นํามาซึ่งความเจริญอะไรเลยนะไม่ได้นํามาซึ่งความเจริญหมายถึงว่าขันห้านะมีไม่กี่ขันหรอกที่จะเจริญด้วยศีล ส, สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะ นั่นคือขันของพระอเรียเจ้าที่มีธรรมขันห้าเหล่านี้บริบูรณ์แต่ถ้าเป็นของปุถุชนทั่วๆไปแล้วไม่เป็นอย่างนั้นเลยในขณะเดียวกันถ้ารูปประขันก็มีแต่มีแต่เจริญขึ้นไหมเขาบอกว่ามนุษย์กับเทวดาต่างกันอย่างี้ต่างกันว่าเทวดาท่านใดมีอายุนานเกิดนานเนี่ยนะรัศมีจะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น คือจะงามมากขึ้นงามมากขึ้นแล้วบริวารก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นถามว่ามนุษย์แล้วเป็นยังไงอายุมากขึ้นก็โทรมลงโทรมลงโทรมลงทุกวันเนี่ยนะหมดสง่าราศีหมดเรี่ยวหมดแรงหมดศักดิ์หมดสีหม ด, สหมดเดชหมดริบหมดอำนาจหมดทุกอย่างเลยคั น, นี่แล้วก็คนก็จากไปเรื่อยทยอยจากไปเรื่อยทีละคนสองคนเนี่ยนะหนักๆเข้าก็เลยนอนเฝ้ า, เ ต, าเตียงอยู่คนเดียวนะพยาบาลก็ยังไม่สนใจเลยนะ พยาบาลนี่แปลว่าผู้ดูแลความเสื่อมพยาเอานะพยาบาลเนี่ยปาละแปลว่ารักษาวยะก็เสื่อมไงพยาบาลก็คือผู้ดูแลความเสื่อมเนี่ยนะก็คนที่ดูแลคนหลายคนนั้นที่นั่งอยู่เนี่ยพยาบาลก็เสื่อมเหมือนกันเพราะมันไม่มีเจริญขึ้นหรอกเช่นน่ะถ้ารูปเสื่อมเท่าไหร่นะเวทนาเสื่อมด้วยไหม ุขเวทนานี่เสื่อมทุกขเวทนามีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นถ้าอายุมากมากขึ้นแล้วกุศ ล, ลจิตเกิดมากขึ้นเลยใช่ไหมดีไม่ดีก็บอกว่าตอนตอนอยังวัยต้นๆ น, นะเป็นคนใจดีเพรอ า, ายุมากเข้ากลายเป็นคนใจไม่ดีเลยก็มีพรนะานแสดงว่ากุศลนี่เสื่อมแล้วก็อกุศลก็เจริญขึ้นก็มีขณะเดียวกันขันห้าเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม เพราะขันห้าเนี่ยมีเนี่ยจึงมีการทำปาณาติบาตใช่ไหมเพราะมีขันห้านี่แหละจึงมีอธินนาทานมีการมีสุมิชฌาจารมีมุสาวาตมีการดื่มสุรามีไรอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทก็เนื่องจากมีขันห้าพราะขันห้าเป็นที่ตั้งอาศัยแห่งความเสื่อมเสื่อมจากกุศลธรรมทั้งหลายตัวมันเองก็เสื่อมเป็นแล้วก็กุศลก็ไม่เจริญขึ้นอันนี้เป็นทุกขลักษณะของขันห้าที่เรียกว่าความเสื่อมซาม ก็ต่อไปโดยอาการชื่อว่ามีความเจ็บป่วยนี่คืออาพาทโตเพราะทําให้เกิดความไม่เป็นอิสระคนป่วยนี่อิสระไหมนะเคยมีแขนกแขน็แขนก็ไม่ค่อยอิสระเลยใช่ไหมสมมติถ้าแขนหักเนี่ยแขนเป็นอิสระเลยไหมไม่ใช่ก็ต้องถูกอะไรนะมัดเชือกแขวนเอาไว้ถ้าขาป่วยขาก็ไม่เป็นอิสระ ถ้าศีรษะป่วยศีรษะก็ไม่เป็นอิสระถ้าฟันป่วยก็เคี้ยวอะไรก็ไม่อิสระถ้าร่างกายป่วยส่วนใดป่วยส่วนนั้นไม่มีอิสระมั้นคําว่าอิสระหมายความว่าช่วยเหลือตัวเองอะไรไม่ได้เลยถ้าตาป่วยนี่ตาเป็นอิสระไหมไม่เป็นอิสระถ้าหูเสื่อมหูป่วยนี่หูเป็นอิสระไหมก็ไม่เป็นอิสระมันทุกอย่างถ้าป่วยแล้วไม่มีอิสระยิ่งนามาทําป่วยด้วยยิ่งไม่มีอิสระใหญ่เลยนามาทําป่วยนี่ยิ่งไม่เป็นอิสระมาก และเพราะเป็นประทับฐานแห่งความเจ็บป่วยนะรูปเพราะรูปมีโรคจึงมีเพราะรูปมีความเจ็บป่วยจึงมีเพราะนามธรรมทั้งหลายมีนามขันทั้งหลายมีอากุศลทั้งหลายจึงมีถ้าไม่มีนามขันนะอกุศลไม่เกิดหรอนะถ้าไม่มีรูปประขันโรคทั้งหลายก็ไม่เกิดถ้าไม่มีนามทั้งหลายอากุศลธรรมทั้งหลายก็ไม่เกิดวรรรูปทั้งรูปทั้งนามเนี่ย ตัวเข้าเองแต่ละอย่างไม่เป็นอิสระเลยจะต้องไปพึ่งพิงสิ่งอื่นๆอยู่ตลอดแล้วก็เป็นปัจจัยแห่งความเจ็บป่วยทางร่างกายและจิตใจต่อไปโดยอาการชื่อว่าเป็นฝ่ายอื่นฝ่ายอื่นนี่ก็คือปะโตเนี่ยนะปะโตเรียกว่าฝ่ายอื่นประเนี่ยนะประก็คือพวกอื่น ชื่อว่าเป็นฝ่ายอื่นเพราะไม่อยู่ในอำนาจและก็ไม่เชื่อฟังนนเช่นเหมือนอย่างว่าถ้าเราเข้าไปในที่แห่งหนึ่งที่เป็นพวกคนอื่นเลยนะพวกอื่นฝ่ายอื่นมเราเดินทุ่มทุมทุมุ ม, มไปต่างประเทศเนี่ยนะมีใครอยู่ในอำนาจเราว่างเลยไปแบบไม่มีใครรู้จักอะไรซ่าคนไม่มีจักมีสีมีทรัพย์มีสินไปแบบตัวเปล่าเลยนะ ไปแล้ว่มันไปใช้คนให้ทำอะไรอย่างที่ตัวเองต้องการทำอะไรได้บ้างไหมไม่ได้หรอกเนะีนะ่ยเนี่ยขันหจริงๆแล้วเป็นลักษณะนั้น่ะขันห้าแต่ละขันไม่อยู่ในอำนาจของผู้ใดเลยนะนะ่ตอนนี้เนี่ยเนื่องจากรูปหลายๆสมุดฐานดีจิตตชรูปเป็นปัจจัยก็เลยเหมือนกับว่าตัวเองนั้นมีอำนาจในในรูปนะนะเนื่องจากได้ปัจจัยกุศลธรรมทั้งหลายจึงเกิดขึ้นแต่ถ้า เอรูปเหล่านี้เนี่ยนะถ้าอาหารชรูปสิน้นโอตุชรูปสิน้นหรืออาหารชรูปสิ้นไปเนี่ยนะจิตแต่ชรูปมีเรียวมีแรงต่อไปไหมก็ไม่มีอํานาจอะไรแล้วอันนี้แล้วก็ขันห้าเหล่านี้ไม่เชื่อฟังเนี่ยนะยิ่งอายุมัธถ้าป่วยขึ้นนะขันห้ายิ่งไม่เชื่อฟังเลยอย่าซันสิอย่าซันนะรูปมันยอมไหมยอมลุกขึ้นสิลุกขึ้นจงลุกเอ้ไม่ลุกนะ ก็ก็ก็จริงอ่ะนะเคยมีโยมคนหนึ่งเขาไปใส่บาทรอายุเกือบ80บแล้วประมาณ80เศร็จนี่แหละคือเขาก็หลังเนี่ยคือหัวกับเข่าเนี่ยมันจะอยู่ระดับเกือบระดับเดียวกันเวลาเดินเนี่ยนะหัวกับเข่าเนี่ยถ้าจะอยู่ระดับเดียวกันคือหมายาว่าตัวมันค่อมมากแล้วก็โค้มแล้วก็เดินไปแล้วก็ถือขันใสใส่ข้าวเนี่ยนะเพื่อจะไปใส่บาทกเขารอดักใส่บาทอยู่ ทีนี้เวลาจะไปพระไปถึงปั๊บเนี่ยยายคนนี้ก็ต้องนั่งลงก่อนเพื่อจะจบคํำข้าวหรืออธิษฐานคันเนี่ยนะครับอธิษฐานก็จะขมุกขมับอะไรตามภาษาของยายนะเสร็จแล้วก็จะลุกขึ้นเพื่อจะยืนใส่บาทเขาบอกลุกสิลุกลุกสิเขาบอกก็ตบเท้าตัวเองอะ่ะลุกแล้วขันมันก็ไม่ยอมลุกสักทีหนึ่งกว่าจะลุกได้ก็ใส่ทีนี้พอใส่บาทเสร็จนะเขาบอกว่าเวลาจะนั่งอีกแกก็ตื่นร้อนอีกอ๋อเนี่ย เสร็จแล้วก็พระก็ให้พรเสร็จแล้วก็เขาย้ายกว่าจะลุกกลับบ้านได้นี่ผมแก ต, ต้องเดินออกมามาใส่าบาตเนี่หยหลายร้อยเมตรเหมือนกันเนี่ยนะ ก, ก็ทุกวันนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่เลยชื่อยายโถมแต่สมัยก่อนนี่แกทํางานหนักมากเนี่ยนะทำงานหนักมา ก, นะานนกมากันหลังนี่โค้งเท่ากับเหมือนคันธนูไปแล้วเนี่ยนะวโก่งเต็มทีมันขันห้านี่ไม่เชื่อฟังอย่างนี้แหละ เคยไ้ยอากุศลแจิตมันกลุ่มรวมโทสะมันกลุ่มรวมเนี่ยมันเชื่อฟังมางไหมพอแล้วอย่ากโกรธเลยทำใจให้สบายอย่างเงี้ยนะจงสบายใจอย่าไปคิดมากอย่าไปคิดเป็นอากุศลสิเนี่ยนะทำใจให้ดีๆทาใจให้เป็นฌานสิทำให้เป็นศีลมันเชื่อไหมนม่เชื่อนะไม่เชื่อฟังแม้แต่อย่างเดียวนะั้นไม่ว่ารู ป, ปขันเวทนาขันสัญญาขันวิญญาณขันเนี่ย ไม่มีเชื่อฟังเลยแม้แต่นิดเดียวขนาดภายในตัวมันยังไม่เชื่อฟังแล้วคนอื่นจะเชื่อฟังได้ยังไงเพราะฉะนั้นเวลาพูดอะไรคนอื่นไม่เชื่อฟังนะให้ทําใจได้เลยว่ามันเป็นอย่างงี้แหละเห็นไหมไม่มีเชื่อฟังอะไรซากอย่างเลยนะขันห้ามันเขาบอกว่าเป็นฝ่ายอื่นเนี่ก็เหมือนกับอะไรนะรถของคนอื่นเนี่ยเราไปทําอะไรได้บ้างอะบ้านคนอื่นเราไปทําอะไรได้บ้างรถคนอื่นอะไรได้บ้างทรัพย์สินของผู้อื่นเราทําอะไรบ้าง ขันทั้งหลายทุกขันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือมันเป็นของคนอื่นมันจะเรียกว่าของตนเราไม่มีอำนาจอะไรมันเลยในะสักอย่างไหมเอานะการเห็นหยุดอยู่แค่จักขูวิญญาณทำได้ไหมไม่ได้การได้ยินให้หยุดอยู่แค่สันติระณนะไม่ได้ชาวนะนะเกิดแค่ดวงเดียวพออย่าเกิดเจ็ดเลยไม่ได้ไม่มีอำนาจอะไรทำได้แม้แต่อย่างเดียวเลยนะ ยิ่งไม่สบายด้วยรูปยิ่งไม่มีอํานาจเลยนะหมดเรีย่ยวหมดแรงนอนแผ่อย่นั่นแหละมันท่านจึงบอกว่าปรตโตฝ่ายอื่นเพราะสิ่งนี้มันไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยจึงไม่มีผู้ใดมีอํานาจอยู่ในสิ่งนี้เลยปรตโตนี้เป็นอะไรลักษณะอนัตตาลักษณะนี่คือความเป็นอนัตตาว่าไม่มีผู้ใดมีอํานาจอย่างแท้จริงเลยในขันห้าเหล่านี้ทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารและ วิญญาณเนี่ยนะไม่มีผู้ใดมีอำนาจอั้นตัวภายในตัวเหมือนตัวเองมีอำนาจใช่ไหมแต่เอาเข้าจริงๆแล้วไม่มีอำนาจสั่งคนอื่นบอกสั่งเด็กนะยอย่าร้องเด็กอาจจะหอบก็ได้ใช่ไหมาหลังสั่งตัวอย่าโกรธมันเอาไหมเบรกกึกเลยใช่ไหมไม่โกรธพอัะนั้นท่านจึงบอกว่าคนที่ห้ามความโกรธนี่หาได้ยากแต่ถ้าผู้ใดห้ามความโกรธได้แล้วผู้นั้นชื่อว่าสารถีคนนอกนี้คือคนถือเชือกเท่านั้นแหะ มันความโกรธนี่ห้ามยากมากนะก็ลองเวลากโกรธนี่ลองไม่สบายใจสั่งดูเธอเนี่ยนะไม่เชื่อเลยบอกอย่าคิดมากดึกแล้วนะพักได้แล้ ว, ว น, นะเวลานอนไม่หลับนะคุยกันรู้เรื่องไหมถ้าเจ๊หมวยอาจจะได้นะเขาบอกว่าเอออีกสองนาทีจะหลับแล้วนะอย่างงี้ยนะอาจจะทําได้บ้างเออเดี๋ยวเถอะถ้าป่วยแล้วดูทําได้หรือเปล่าแมันนอนมาทั้งวันอยู่แล้วใช่ไหมจงรับจริไม่รู้จะหลับอีกหรือเปล่าไม่ทราบเจ๊หมวยครับป็นคนพิเศษดีว่าบอกว่าอีกสองนาทีเขาจะหลับแล้วเขาจะหลับแล้ว นะสั่งได้อืไม่รู้ว่าจะได้นานหรือเปล่าก็ไม่ทราบอนะเดี๋ยนี้เจ๊ต่อไปก็สั่งบอกจงอย่าเป็นอกุศลกําลองดูว่าคุยกันรู้เรื่องอยู่หรือเปล่าไม่ทราบนะเพราะว่าแต่ว่ารวมๆแล้วพวงท่านว่าขันห้าไม่เชื่อฟังร้องนั้นเวลาป่วยบอกจงอย่าป่วยเวลาปวดบอกพอๆอย่าปวดนะให้ลดลดหน่อยซีอย่างเงี้ยนะคุยสรุปว่าคุยกันไม่รู้เรื่องนะขันห้าสมมติวราท้องเสียบอกพอแล้วพอแล้วอย่าเสียเลยอย่างเงี้ยได้ไหม ไม่ได้นะเวลาปวดเข่าเนี่บอกพอพอพอันปวดเยอะแล้วนะวังนั้นปวดให้มานานแล้วไม่มีนั้นมันเป็นฝ่ายอื่นจริงๆเลยนะเป็นเหมือนอะไรนะของขันห้ามันเป็นฝ่ายอื่นทุกอย่างเราจรึงไม่มีผู้ใดมีอํานาจที่ดูเหมือนมีอํานาจเพราะปัจจัยอุปธรรมหลายๆตัวเป็นไปได้ถ้าสิ้นปัจจัยแต่ละอย่างแต่ละอย่างไปเนี่ยนะไม่มีอํานาจอะไรแม้แต่นิดเดียว